ทำหประการทำ6ประการที ED ่ม hmm. ีอุปการะมากทำหประการที่ควรเจริญทำหประการที่ควรกำหนดรู้ทำหประการที่ควรละทำหประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมทำหประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษทำ6ประการที่แทงตลอดได้ยากทำหประการที่ควรให้เกิดขึ้นทำหประการที่ควรรู้ยิ่งทำหประการที่ควรทำให้แจ้ง ทำหกประการที่มีอุปการะมากคืออะไรคือสารณิยธรรมหได้แก่ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้หนึ่งตั้งมั่นเมตตากยากรรมในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งในที่แจ้งและในที่ลับนี้เป็นสารณิยธรรมที่ทำให้เป็นที่รักทาให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาดกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกัน 2. ตั้งมั่นเมตตาวจีกรรมในเพื่อนพรหมจรีทั้งหลายทั้งในที่แจ้งและในที่ลับแม้นี้ก็เป็นสารณียธรรมที่ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสมัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกัน 3. ตั้งมั่นเมตตามโนกรรมในเพื่อนพรหมจรีทั้งหลายทั้งในที่แจ้งและในที่ลับแม้นี้ก็เป็นสารณียธรรม และถึงเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสมคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกัน 4. บริโภคโดยไม่แบ่งแยกลาบทั้งหลายที่ประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมโดยที่สุดแม้เพียงบินบาบอาหารในบาตบริโภครวมกับเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายผู้มีศีลแม้นี้ก็เป็นสารนียธรรมและถึง เป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสมัคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกัน 5. มีศีลไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยท่านผู้รู้สันเสริญไม่ถูกตันหาและทิฏฐิครอบงำเป็นไปเพื่อสมาธิเสมอกันกับเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งในที่แจ้งและในที่ลับแม้นี้ก็เป็นสารณยธรรมที่ทาให้เป็นที่รักทาให้เป็นที่เคารพ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 เพื่อความสมัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันนี้คือธรรมหกประการที่มีอุปการะมากธรรมหกประการที่ควรเจริญคืออะไรคืออนุสติฐาน6ได้แก่ 1. พุทธานุสติการระลึกถึงพระพุทธเจ้า 2. ธรรมานุสติการระลึกถึงพระธรรม 3. สังคานุสติการระลึกถึงพระสง สี่สีลานุสติการระลึกถึงศีลห้าจาคานุสติการระลึกถึงการบริจาคหกเทวตานุสติการระลึกถึงเทวดานี้คือทำหกประการที่ควรเจริญทำหกประการที่ควรกําหนดรู้คืออะไรคืออายตนะภายใน6ได้แก่ 1. จักควายตนะอายตนะคือตา 2. โสตายตนะ อายตนะคือหู 3. าคานายตนะอายตนะคือจมูก 4. ชิวหายตนะอายตนะคือลิ้น 5. กายายตนะอายตนะคือกาย 6. มนายตนะอายตนะคือใจนี้คือทำห6ประการที่ควรกําหนดรู้ทำห6ประการที่ควรละคืออะไรคือมัวตันหา6ได้แก่ 1>, 1. รูปตันหาความอยากได้รูป 2. สัตตตันหาความอยากได้เสียง 3. คันธตันหาความอยากได้กลิ่น 4. ร่รสตันหาความอยากได้รส 5. โพธะตันหาความอยากได้โพธะ 6. ธรรมตันหาความอยากได้ธรรมารมนี้คือทำหกประการที่ควรละ ทำหกประการที่เป็นไปนในฝ่ายเสื่อมคืออะไรคืออคารวะหได้แก่ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 1. อยู่อย่างไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระศาสดา 2. อยู่อย่างไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระธรรม 3. อยู่อย่างไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระสงฆ์ 4. อยู่อย่างไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในศี ข, ขา 5. อยู่ยังไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในความไม่ประมาท 6. อยู่ยังไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในปฏิสันฐานนี้คือทำห6ประการที่เป็ น, ปนไปในฝ่ายเสื่อมทำห6ประการที่เป็ น, ปนไปในฝ่ายคุณวิเศษคืออะไรคือคารวะ6ได้แก่ภิกษุในพระธรรมวินัยนีน้อยู่อยู่ยังมีความเคารพมีความยำเกรงในระาศาสดา Стати, Two, 2. อยู่อย่างมีความเคารพมีความยำเกรงในพระธรรม 3. อยู่อย่างมีความเคารพมีความยำเกรงในพระสงฆ์ 4. อยู่อย่างมีความเคารพมีความยำเกรงในสิกขา 5. ้าอยู่อย่างมีความเคารพมีความยำเกรงในความไม่ประมาท 6. อยู่อย่างมีความเคารพมีความยำเกรงในปฏิสันฐานนี้คือทำหกประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษ ทำหกประการที่แทงตลอดได้ยากคืออะไรคือท่าที่สลัดหได้แก่ 1. ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าได้เจริญเมตตาเจโตวิมุตตแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจญานแล้วทำให้เป็นที่ตั้งแล้วให้ตั้งมั่นแล้วสังสมแล้วปรารบดีแล้วแต่พยาบาทความคิดร้ายก็ยังครอบงำจิตของข้าพเจ้าอยู่ ภิกษุทั้งหลายพึงกล่าวตักเตือนเธอว่ า, อ ย, ายอย่าเดียกลยยยยกล่าวา new, าายาอย่างนี้เลยผู้มีอายุอย่าเดียกกล่าวอย่างนี้ผู้มีอายุอย่าเดียกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเพราะการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลยพระผู้มีพระภาคไม่ตรัสอย่างนี้เลยผู้มีอายุเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุได้เจริญเมตตาเจโตวิมุตต์แล้วทําให้มากแล้วทําให้เป็นดุจยานแล้วทําให้เป็นที่ตั้งแล้วให้ตั้งมั่นแล้ว สั่งสมแล้วปรารภดีแล้วแต่พยาบาทก็ยังครอบงำจิตของภิกษุนั้นอยู่ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเมตตาเจโตวิมุตตินี้เป็นธาตุที่สลัดพยาบาทสองภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าเขาพระเจ้าได้เจริญกรุณาเจโตวิมุตต์แล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานแล้วทาให้เป็นที่ตั้งแล้ว ให้ตั้งมั่นแล้วสั่งสมแล้วปรารลดีแล้วแต่วิหิงสาความเบียดเบียนก็ยังครอบงำจิตของข้าพเจ้าอยู่ภิกษุทั้งหลายพึงกล่าวตักเตือนถือว่าอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยผู้มีอายุอย่าได้กล่าวอย่างนี้ผู้มีอายุ này, อย่ ủ, า, า, า, ủ, าได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเพราะการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลยพระผู้มีพระภาคไม่ตรัสอย่างนี้เลยผู้มีอายุ เป็นไปไม่ได้เลยที่พิกสุได้เจริญกรุณาเจโตวิมุตต์แล้วทำให้มากแล้วทําให้เป็นดุจยานแล้วทำให้เป็นที่ตั้งแล้วให้ตั้งมั่นแล้วสังสมแล้วปรารภดีแล้วแต่วิหิงสาก็ยังครอบงำจิตของพิกสุนั้นอยู่ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะกรุณาเจโตวิมุตต์นี้เป็นธาตุที่สลัดวิหิงสา สามพิสุในพระธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าได้เจริญมุทิตาเจโตวิมุตต์แล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานแล้วทำให้เป็นที่ตั้งแล้วให้ตั้งมั่นแล้วสั่งสมแล้วปรารบดีแล้วแต่อารติความไม่ยินดีก็ยังครอบงำจิต ข, ของข้าพเจ้าอยู่ภิสุทั้งหลายพึงกล่าวตักเตือนเธอว่าอย่าเดียกกล่าวอย่างนี้เลยผู้มีอายุ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 แต่อารติก็ยังครอบงำจิตของภิกษุนั้นอยู่ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะมุทิตาเจโตวิมุตตินี้เป็นธาตุที่สลัดอารติ 4. ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าได้เจริญอุเบกขาเจโตวิมุตต์แล้วทําให้มากแล้วทําให้เป็นดุดยานแล้วทําให้เป็นที่ตั้งแล้วให้ตั้งมั่นแล้วสั่งสมแล้วปรารดีแล้ว แต่ราคะความกำนัดยินดีก็ยังครอบงำจิต ข, ของข้าพเจ้าอยู่ภิกษุทั้งหลายพึงกล่าวตักเตือนเธอว่าอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยผู้มีอายุอย่าได้กล่าวอย่างนี้ผู้มีอายุอย่าได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเพราะการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลยพระผู้มีพระภาคไม่ตรัสอย่างนี้เลยผู้มีอายุเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุได้เจริญอุเบกขาเจโตวิมุตตแล้ว ทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจญานแล้วทำให้เป็นที่ตั้งแล้วให้ตั้งมั่นแล้วสั่งสมแล้วปรารภดีแล้วแต่ราคะก็ยังครอบงมจิตของภิกษุนั้นอยู่ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะอุเบกขาเจโตวิมุตตินี้เป็นธาตุที่สลัดราคะหภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่า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 อนิมิตาเจโตวิมุตติน้เป็นท่าที่สลัดนิมิตทั้งปวง 6. ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าปราศจากอสมิมาณะแล้วและไม่พิจารณาเห็นว่าเราเป็นนี้แต่ลูกสอนคือความเคลือบแคลงสงสัยก็ยังครอบงำจิตของข้าพเจ้าอยู่ภิกษุทั้งหลายพึงกล่าวตักเตือนเธอว่าอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยผู้มีอายุ อย่าเดีกล่าวอย่างนี้ผู้มีอายุอย่าเดียกล่าวตูวพระผู้มีพระภาคเพราะการกล่าวตูวพระผู้มีพระภาคไม่ดีเลยพระผู้มีพระภาคไม่ตรัสอย่างนี้เลยผู้มีอายุเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกสุ ป, ปราศจากอสมิมาณะแล้วและไม่พิจารณาเห็นว่าเราเป็นนี้แต่ลูกศอนคือความเคลือบแคลงสงสัยก็ยังครอบงาจิตของพิษุนั้นอยู่ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลย เพราะสภาวะที่ทอนอสมิมาณ น, นี้เป็นธาตุที่สลัดลูกศรคือความเคลือบแคลงสงสัยนี้คือทำหประการที่แทงตลอดได้ยากทำหประการที่ควรให้เกิดขึ้นคืออะไรคือสตาวิหารธรรมทำเป็นเครื่องอยู่เป็นนิกของพระขีณาสพหได้แก่ 1. เห็นรูปทางตาแล้วเป็นผู้ไม่ดีใจไม่เสียใจมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู่ 2. ฟังเสียงทางหู 3. ดมกลิ่นทางจมูก 4. ลิ้มรสทางลิ้น 5. ถูกต้องผลทพะทางกาย 6. รู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้วเป็นผู้ไม่ดีใจไม่เสียใจมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่นี้คือทำหกประการที่ควรให้เกิดขึ้นทำหกประการที่ควรรู้ยิ่งคืออะไร คืออนุตริยายอดเยี่ยม6ได้แก่ 1. ทัศนานุตริยาการเห็นอันยอดเยี่ยม 2. สวนานุตริยาการฟังอันยอดเยี่ยมสาลาภานุตริยาการได้อันยอดเยี่ยมสี่ศึกานุตริยาการศึกษาอันยอดเยี่ยม 5. ปาริจริยานุตริยาการบำรุงอันยอดเยี่ยม 6. อนุสตานุตริยา การระลึกอันยอดเยี่ยมนี่คือทำหกประการที่ควรรู้ยิ่งทำหกประการที่ควรทาให้แจ้งคืออะไรคืออภินยาหกได้แก่หนึ่งภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ย่อมแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้แสดงให้ปรากฏหรือแสดงให้หายไปก็ได้ทะลุฝากำแพงและภูเขาไปได้ไม่ติดขัด เหมือนไปในที่ว่างก็ได้ผุดขึ้นหรือดำลงในแผ่นดินเหมือนไปในน้ำก็ได้เดินบนน้ำโดยที่น้ำไม่แยกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้นั่งคัดสมาธิเหาะไปในอากาศเหมือนนกบินไปก็ได้ใช้ฝ่ามือรูปคลำดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อันมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้ 2. ภิกษุนั้นได้ยินเสียงสองชนิด คือเสียงทิฟและเสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและใกล้ด้วยหูทิฟอันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ 3. ภิกษุนั้นกาหนดรู้จิตของสัตว์และคนอื่นด้วยจิตของตนคือจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะหรือปราศจากราคะก็รู้ว่าปราศจากราคจิตมีโทสะก็รู้ว่ามีโทสะหรือปราศจากโทสะก็รู้ว่าปราศจากโทสะ จิตมีโมหะก็รู้ว่ามีโมหะหรือปราศจากโมหะก็รู้ว่าปราศจากโมหะจิตหดหูก็รู้ว่าหดหูหรือฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟุ้งซ่านจิตเป็นมหัคตะก็รู้ว่าเป็นมหัคตะหรือไม่เป็นมหัคตะก็รู้ว่าไม่เป็นมหัคตะจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่ามีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่า จิตเป็นสมาธิก็รู้ว่าเป็นสมาธิหรือไม่เป็นสมาธิก็รู้ว่าไม่เป็นสมาธิจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าไม่หลุดพ้น4ภิกษุนั้นระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ1ชาติบ้าง2ชาติบ้าง3ชาติบ้าง4ชาติบ้าง5ชาติบ้าง10ชาติบ้าง20ชาติบ้าง30ชาติบ้าง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 ในภพนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวันนะมีอาหารสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นแล้วจึงมาเกิดในภพนี้เธอระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้ 5. ภพิสษุนั้นเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่าและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดี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 ภิกษุนั้นทำให้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันไม่มีอาสะวะเพราะอาสะวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนี้คือทำหกประการที่ควรทำให้แจ้งทำหกสิบประการนี้เป็นของจริงเป็นของแท้แน่นอนไม่ผิดพลาดไม่เป็นอย่างอื่นที่พระตถาคตตรัสรู้แล้วโดยชอบด้วยประกาศ น, นี้ ทำเจบประการทำเจบประการที่มีอุปการะมากทำเจบประการที่ควรเจริญทำเจบประการที่ควรกำหนดรู้ทำเจบประการที่ควรละทำเจบประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมทำเจบประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษทำเจบประการที่แทงตลอดได้ยากทำเจบประการที่ควรให้เกิดขึ้นทำเจบประการที่ควรรู้ยิ่งทำเจบประการที่ควรทำให้แจ้ง ทำเจตประการที่มีอุปการะมากคืออะไรคืออริยทรัพย์7ได้แก่ 1. ศึัทธาธนะทัพย์คือสัทธานะสศีลทนะทรัพย์คือศีล 3. หิริธนะทัพย์คือหิรนะิ 4. โอตตปทนะทรัพย์คือโอตตปะหสุตตะธนะทรัพย์คือสุตตะ 6. จาระธนะทรัพย์คือจาคะ 7. ปัญญธนนะ ซัพ์คือปัญญานี้คือทำเจ็ประการที่มีอุปการะมากทำเจ็ประการที่ควรเจริญคืออะไรคือสัมโพชงเจ็ได้แก่ 1. สติสัมโพชงทำเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความระลึกได้ 2. ธรรมวิจยะสัมโพชงทำเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความเฟ้นธรรม 3. วิริยะสัมโพชง ทำเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความเพียร4ปิติสัมโพชงทำเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความอิ่มใจ 5. ปัสสิสัมโพชงทำเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความสงบกายสงบใจ 6. สมาธิสัมโพชงทำเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความตั้งจิตมั่น 7. อุเบคาสัมโพชงทำเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความวางใจเป็นกลาง นี่คือทรเจ็ประการที่ควรเจริญทรรม7ประการที่ควรกำหนดรู้คืออะไรคือวิญญาณทิติ7ได้แก่ 1. มีสัตว์ทั้งหลายผู้มีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันคือมนุษย์เทพบางพวกและวินิปาตธิกะบางพวกนี้เป็นวิญญาณทิติที่หนึ่ง 2. มีสัตว์ทั้งหลายผู้มีกายต่างกันแต่มีสัญญาอย่างเดียวกันคือพวกเทพชั้นพรหมกายาิกาเทพผู้นับหนึ่งในหมู่พรหมเกิดในปฐมฌานนี้เป็นวิญญาณิติที่สองส ม, มีสัตว์ทั้งหลายผู้มีกายอย่างเดียวกันแต่มีสัญญาต่างกันคือพวกเทพชั้นอาภัสระนี้เป็นวิญญาณติที่ส 4. มีสัตว์ทั้งหลายผู้มีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่างเดียวกันคือพวกเทพชั้นสุภกินหะเทพผู้เต็มไปด้วยความงดงามนี้เป็นวิญญาณติที่สี่มีสัตว์ทั้งหลายบรรลุอากาสานาันจายตนะชาญโดยกาหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้เพราะล่วงรูปสัญญาดบปฏิฆะสัญญาไม่กาหนดนานาตัสัญญาโดยประการทั้งปวงนี้เป็น วิญญาณทิติที่ห 6. มีสัตว์ทั้งหลายล่วงอากาสานันจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณนัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้นี้เป็นวิญญาณทิติที่6 7. มีสัต many, ว, ต ว, วต์ทั้งหลายล่วงวิญญาณนันจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญายตนะฌานโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรนี้เป็น วิญญาณิติที่7นี้คือทำเจประการที่ควรกำหนดรู้ทำเจ็ประการที่ควรละคืออะไรคืออนุสัยเจได้แก่ 1. การมราคานุสัยอนุสัยคือความกำหนัดในกาม 2. ปฏิคานุสัยอนุสัยคือความยินร้าย 3. ทิฏฐานุสัยอนุสัยคือความเห็นผิด 4. วิจิกิจฉานุสัย อนุสัยคือความลังเลสงสัย 5. มานานุสัยอนุสัยคือความถือตัว 6. ภาวะราคานุสัยอนุสัยคือความติดใจในภพบ 7. อวิชานุสัยอนุสัยคือความไม่รู้แจ้งนี้คือทรรม7ประการที่ควรละธรรม7ประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมคืออะไรคืออสัตถธรรม7ได้แก่ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้ไม่มีศรัทธา 2. เป็นผู้ไม่มีหิริ 3. เป็นผู้ไม่มีโอตตะปะ 4. เป็นผู้มีสุตะน้อย 5. เป็นผู้เกียจคร้าน 6. เป็นผู้มีสติหลงลืม 7. เป็นผู้มีปัญญาสามนี้คือทำเจ็ประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมทำเจ็ประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษคืออะไร คือสัตธรรม7ได้แก่ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้หนึ่งเป็นผู้มีศรัทธาสองเป็นผู้มีหิริสามเป็นผู้มีโอตตปะสี่เป็นพหูสูตรหเป็นผู้ปรารบความเพียรหกเป็นผู้มีสติมั่นคงเจดเป็นผู้มีปัญญานี้คือธรรมเประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษ ทำเจตประการที่แทงตลอดได้ยากคืออะไรคือสัปปริสธรรมเจตได้แก่ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 1. เป็นธรรมมันอยู่ผู้รู้จักเหตุ 2. เป็นอัฏฐานยู่ผู้รู้จักผล 3. เป็นอัตตันยูผู้รู้จักตน 4. เป็นมัตตันยูผู้รู้จักประมาณ 5. เป็นกาลันยู ผู้รู้จักเวลา 6. เป็นปริสัญญูผู้รู้จักชุมชน 7. เป็นปุขะลัญญูผู้รู้จักบุคคลนี้คือทำเจตประการที่แทงตลอดได้ยากทำเจตประการที่ควรให้เกิดขึ้นคืออะไรคือสัญญา7ได้แก่ 1. อานินนจจสัญญากำหนดหมายความไม่เที่ยงแห่งสังขาร 2. อ, อนาตตสัญญา กำหนดหมายความเป็นอนัตตาแห่งธรรมทั้งปวง 3. อสุภะสัญญากำหนดหมายความไม่งามแห่งกาย 4. อธินวะสัญญากำหนดหมายทุกโทษของกายอันมีความเจ็บไข้ต่างๆ 5. ปหาณะสัญญากำหนดหมายเพื่อละอกุศลวิตกและบาปธรรมทั้งหลาย 6. วิราคะสัญญากำหนดหมายวิราคะว่าเป็นธรรมละเอียดประณีต 7. นิโรธาสัญญากำหนดหมายนิโรดว่าเป็นธรรมละเอียดปราณีตนี้คือธรรมเจ็ดประการที่ควรให้เกิดขึ้นธรรมเจ็ดประการที่ควรรู้ยิ่งคืออะไรคือนิทัศวัตุ7ได้แก่ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้มีชันทะอย่างแรงกล้าในการสมาทานสิกขาและไม่ปราศจากความรักในการสมาทานสิกขาต่อไป สเป็นผู้มีฉันทายอย่างแรงกล้าในการคล่ำครวนทมและไม่ปราศจากความรักในการใคล่ำครวนทมต่อไป 3. เป็นผู้มีฉั irm, <3. S 2> นทายอย่างแรงกล้าในการกําจัดความอยากและไม่ปราศจากความรักในการกําจัดความอยากต่อไป 4. เป็นผู้ม <S Burada> ีฉันทาอย่างแรงกล้าในการหลีกเร้นและไม่ปราศจากความรักในการหลีกเร้นต่อไป 5. เป็นผู้มีฉันทะอย่างแรงกล้าในการปารบความเพียรและไม่ปราศจากความรักในการปรารบความเพียรต่อไป 6. เป็นผู้มีฉ sì. ันทะอย่างแรงกล้าในสติปัญญาเครื่องรักษาตนและไม่ปราศจากความรักในสติปัญญาเครื่องรักษาตนต่อไป 7. เป็นผู้มีฉันทะอย่างแรงกล้าในการแทงตลอดด้วยทิฏฐิและไม่ปราศจากความรักในการแทงตลอดด้วยทิฏฐิต่อไป นี่คือทำเจตประการที่ควรรู้ยิ่งทำเจตประการที่ควรทำให้แจ้งคืออะไรคือกำลังของพระขีนาศเจตได้แก่หนึ่งสังขารทั้งปวงเป็นธรรมที่ภิกษุขีนาศในพระธรรมวินัยนี้เห็นว่าเป็นสภาวะไม่เที่ยงด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงข้อที่สังขารทั้งปวงเป็นธรรมที่ภิกษุขีนาศ เห็นว่าเป็นสภาวะไม่เที่ยงด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงนี้เป็นกำลังของภิกษุขีณาศพที่ภิกษุขีณาศพอาศัยปฏิญาความสิ้นอาสวะทั้งหลายว่าอาสวะของเราสิ้นแล้ว 2. กรามทั้งหลายเป็นธรรมที่ภิกษุขีณาศพเห็นว่าเปรียบด้วยหลุมฐานเพลิงด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงแม้ข้อที่กามทั้งหลายเป็นธรรมที่ภิกษุขีณาศพเห็นว่า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 ปราศจากเงื่อนธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะโดยประการทั้งปวงแม้ข้อที่จ ic, ิตของพิกษุขีนาศเป็นธรรมชาติโน้มไปในวิเวกโน้มไปในวิเวกโอนไปในวิเวกตั้งอยู่ในวิเวกยินดียิ่งในเน่ขมมะปราศจากเงื it, ่อนธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะโดยประการทั้งปวงนี้ก็เป็นกำลังของภิกษุขีนาศที่พิกษุขีนาศอาศัยปฏิญญาความสิ้นอาสวะทั้งหลายว่า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 อินซีห้าเป็นธรรมที่ภิกษุขีนาศเจริญอบรมดีแล้วแม้ข้อที่อินรีห้าเป็นธรรมที่ภิกษุขีนาศเจริญอบรมดีแล้วนี้ก็เป็นกําลังของภิกษุขีนาศที่พิกษุขีนาศอาศัยปฏิญญาความสิ้นอาสวะทั้งหลายว่าอาสวะของเราสิ้นแล้ว 6. โพชฌงเจตเป็นธรรมที่ภิกษุขีนาศเจริญอบรมดีแล้วแม้ข้อที่โพชฌงเจต เป็นธรรมที่พิษุขีนาศกเจริญอบรมดีแล้วนี้ก็เป็นกำลังของพิษุขีนาศที่พิษุขีนาศอาศัยปติญญาความสิ้นอาสวะทั้งหลายว่าอาสวะของเราสิ้นแล้วเจ็ดอริยมรรคมีองค์8เป็นธรรมที่พิษุขีนาศกเจริญอบรมดีแล้วแม้ข้อที่อริยมรรคมีองค์8เป็นธรรมที่พิษุขีนาศกเจริญอบรมดีแล้ว นี้ก็เป็นกำลังของภิกษุขีนาศพที่ภิกษุขีนาศพอาศัยปฏิญญาความสิ้นอาสวะทั้งหลายว่าอาสวะของเราสิ้นแล้วนี้คือทำเจ็ประการที่ควรทําให้แจ้งทำเจ็ดประการนี้เป็นของจริงเป็นของแท้แน่นอนไม่ผิดพลาดไม่เป็นอย่างอื่นที่พระตถาคตแัตสรู้แล้วโดยชอบด้วยประการศนี้ภาณวาระที่หนึ่งจบ